ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตะตะพระบุพภะสิกขาและบุพภะสิกขาวันน า, นาพระอมราภิรกิตตอมรเกิดวัดบรมนิวาโรจนาต่อไปก็จะเป็นสุทิกะปาจิตตีในโภชนะวัต์ที่สี่ถึงสิกขาบทที่ห้าแล้วนะ ชื่อปฐมปวรารณาความว่าติจูดัยฉันโภชนะห้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคร้างอยู่โภชนะห้าก็ได้แก่ข้าวสุก ข, ขนมสดปลาเนื้อแล้วก็ขนมแห้งนะถ้าสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อถ้าฉันโภชนะห้าอยู่และห้ามโภชนะห้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเขาอยู่ในหัตถบารแล้วน้อมเข้ามาให้ ลุกจากที่แล้วเธอกลับฉันของเคี้ยวของฉันซึ่งเป็นอนัติริตะคือไม่ได้ทําวินัยกรรมและไม่เป็นเด่นพิจุขให้เรียกว่าที่เป็นอนัติริตะเนี่ยนะถ้าไม่ได้ทําวินัยกรรมหรือว่าไปฉันอ า, าที่ไม่เป็นเด่นพิจุขให้อีกในการคืน่อนเที่ยงไม่เกินเที่ยงในการในวันนั้นเป็นปัจจิตีทุกคําที่กลืนเลย ตภา ว, วาเนี่ยมีองค์ห้ากัรห้ามพัดก็เรียกว่าเป่านาเหมือนกันนะมีองค์ห้าก็คืออสนางปัญญายติกินอยู่ก็คือการฉันปรากฏหนึ่งโภชนางปัญญายติของที่ฉันและของที่ห้าเป็นโภชนาห้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็หัตถปาเสติโตผู้ให้ก็อยู่ในหัตถบาท ด, ด้วยอภิหรัรติเขาน้อมของนั้นเข้ามาด้วย ปฏิเคปโปปัญญายติแล้วก็ทำการห้ามเสียพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นอันห้ามชื่อว่าปวารณาคือการห้ามพัดโภชนะห้าก็คือข้าวสุกเกิดแต่ธัญชาติเจ็ดขนมกุมมากข้าวสัตรุแล้วก็ปลาเนื้อจะเป็นโภชนะห้านะธัญชาติเจ็ดก็คืออะไรบ้างข้าวสาลีสาลิข้าวไม่มีแกลบวีหีก็ข้าเปลือก ยะโวข้าวแดงหรืว่าข้าวเหนียวก็ว่าโคทูโมข้าวละมานกังกุกกข้าวฟ่างพระโกลูกเดือยกุดรูสโกกุดบรูสโก้หญกสกกกับแก่อันนี้ก็จัดว่าเป็นธนชาตเจ็ดเขาถือเอาเข้าวสารแห่งธญชาตเจ็ดนี้หุงเป็นข้าวสวยก็ตามต้มเป็นข้าวต้มก็ตามถ้าในเวลาฉันอยู่ร้อนก็ตามเย็นก็ตามรอยที่ควักและตัปกปรากฏอยู่ ข้าวนั้นชื่อว่าโอเดโนคือเป็นข้าวสุกให้เกิดการห้ามพัดได้ก็คือฐันเกิดการตะโลานานี่เองก็ในข้าวปายาหรือว่าข้าวต้มเจือด้วยของเหลวพอยกลงจากเตายัางร้อนอยู่อาจกรอบดื่มได้แม้รอยในโอกาสที่ควักไม่ปรากฏไม่ให้เกิดการห้ามพัดก็ถ้าไอาร้อนสิ้นแล้วแผ่นข้าวแสดงรอยได้ไสให้เกิดการห้ามพัดอีก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 ข้าวสุกเขาหงด้วยลูกขุ่ยไัยเป็นต้นหรือว่าด้วยเน่ามันและผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งอื่นพ้นจากข้าวสารแห่งธรรมชาติเจ็ดนี้ไม่ให้เกิดการห้ามพัดขนมกุมนมาดนั้นเขาทําด้วยข้าวเจ็ดประการให้เกิดปวรณินาแลคือการห้ามพัดได้ถ้าเป็นขนมกุมนมาดขนมกุมนมาดและข้าวต้มเขาทําด้วยของอื่นมีถั่วเขียวเป็นต้นไม่ให้เกิดการห้ามพัดข้าวสัตว์นั้นเขาคั่วธรรมชาติเจ็ด อันใดอันหนึ่งทำขึ้นโดยที่สุดแม้จุรนและรำที่เขาตํำข้าวสารและข้าเปลือกซึ่งเขาคั่วสุเกเตรียมทําขึ้นนั้นคงสงเคราะห์ว่าเป็นข้าวสัตตุก็แลรรำหรือข้าวสารหรือข้าวตอกแห่งข้าวเปลือกที่เขาคั้วสุกพอดีหรือว่าสุกด้แดกหรือข้าวสุกและข้าวสัตตุเป็นต้นที่เขาทําด้วยข้าวสารและข้าวตอกนั้น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 ไมาถึงประจบตะกูลหรือว่าเป็นหมอเป็นแพทย์และเกิดแต่การอวดอุตรินุสธรรมและยินดีรูปยักษเป็นต้นเธอนั้นไม่ชื่อว่าห้ามพัดเพราะของนั้นไม่สมควรควรจะต้องห้ามข้าวแม้มนล็กหนึ่งเธอได้กลืนกินแล้วโภชนะในปากและในปากและมือแห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเธอนั้นยังอาอะยอยู่และห้ามซึ่งโภชนะอื่นมีลักษณะดังกล่าวแล้วไซชื่อว่าห้าม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 หลังซีดข้างนั้นไปถึงส่วนสุดอวัยวะที่ใกล้แห่งผู้ให้ซึ่งนั่งหรือยืนหรือนอนอยู่แ้นแต่มือที่เขาเหยียดออกมาจะให้ให้ได้สองส่อคือบชื่อว่าหัตถบาตนะหัตถบาตนี้ก็มีประมาณสองส่อคือบเพราะฉะนั้นเวลาประเคนก็จะต้องอยู่ในหัตถบาสสองส่อคือบนี้เหมือนกันเขายืนในหัตถบาตแล้วน้อมเข้ามาห้ามเสียจึงเป็นการห้ามพัดถ้าพ้นหัตถบาสนั้นออกไป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 ห้ามเขาเสียจึงเป็นการห้ามพัดแม้ครั้งคนทั้งสองเขายกเสมอกันอยู่เมื่อห้ามเสียก็เป็นอันห้ามแทนครั้งต่อให้พิจุซึ่งเป็นลำดับอยู่พิจูนอกนั้นช่วยติดปากเสียชื่อว่าห้ามของซึ่งเขาน้อมเข้ามาแก่ผู้อื่นเพราะเหตุ น, นั้นก็ไม่เป็นการปรนาดไม่เป็นการห้ามพัดจะว่าด้วยห้ามในของที่เขาน้อมเข้ามาด้วยวาจาห้ามไม่ขึ้น ต้องน้อมมาด้วยกายนะถึงจะห้ามขึ้นของเขาน้อมเข้ามาด้วยกายครัน้นห้ามด้วยกายยวิการมีกระดิบนิ้วเป็นต้นถือว่าห้ามด้วยวจีวิการเป็นต้นว่าพอแล้วอย่าให้เลยดังนี้จึงเป็นเปารรมนาสุอเป็นการห้าพัดเพราะฉะนั้นเขาต้องน้อมเข้ามาด้วยกายถ้าห้ามด้วยกายถืว่าห้ามด้วยวาจานัน้นจึงจะเป็นการห้ามแต่ว่าต้องได้องค์ห้ามนี้นะผู้หนึ่งน้อมแกงมีเนื้ออยู่ด้วยเข้ามาว่าจงรับแกง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 และไม่เป็นเดนที่ถูกไข้ชื่อว่าอาณาติริตะก็คือของไม่เหลือเฟือหรือว่าของไม่เหลือเกินเนี่ยนะฉันไม่ได้ของซึ่งทำวิันกรรมแล้วและเป็นเดนที่ถูกไข้ชื่อว่าอาติริตะคือของเหลือเกินหรือว่าของเหลือเฟือนี้ถึงจะฉันได้อาการแห่งวิเนกรรมเจ็ดดังนี้ก็คือข้อที่หนึ่งกัปปิยักษ์กัตังหติ ของซึ่งจะทําวินัยกรรมเป็นผลหรือว่าเป็นเงาและรากเป็นต้นทํากับยะเกด้วยธรรมะกัปะห้าอย่างและของนอกนั้นไม่เป็นอกัพยะมังสะและอกับยะโภชนะอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นของกับยะให้ทากับยะของนั้นต้องทําปฏิยักษ์ข้อที่สองปฏิฆะหิตัดกตังหวติของนั้นที่ตุรับประเคนแียก่อนจึงไปทําวินัยกรรมได้ต้องรับประเคนแล้ว ข้อที่สามอุจจาริตะกะตังโหติเิกตุผู้ห้ามเข้ามาเพื่อจะยังเิกตุอื่นให้ทํากัปปิยะได้ยกขึ้นหรือว่าน้อมเข้าไปหน่อยหนึ่งให้ทํากัปปิยะข้อที่สี่หัตถาเสติเตนะกะตังโหติเิกตุผู้ทํากัปปิยะอยู่ในหัตถบาทแห่งเพิกตุผู้มาเพื่อจะให้ทํากัปปิยะแล้วจึงทําข้อที่ห้าพุทตาวินากตังโหติเิกตุผู้จะทําวินัยจำ ให้ได้ฉันโพชนะซึ่งให้เกิดปโรนาโดยที่สุดแม้ข้าวสกุลเลดหนึ่งรือเนื้อชิ้นหนึ่งแต่บาทเพกตุซึ่งนั่งอยู่ใกล้แล้วทำให้หมายถึงว่าได้ฉันแล้วนะข้อที่หก็คือพุทธาวินาปวาริเตนะอาสนาอาวุ ธ, ธิเตนะกะตังหัวติเพ็กุผู้ทำวินัยกรรม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 ดังนี้เมื่อพิจุฉันอยู่ถ้าเขาเอาอามิตรอื่นมาเติมลงไซส์เธอนั้นจะทํากับอิจักของนั้นอีกไม่ได้ด้วยท่านกล่าวไว้ว่าของสิ่งใดไม่ได้ทํากับอิจักพึงทําของนั้นเธอองค์ใดไม่ได้ทําเธอองค์นั้นพึงทำเพราะเหตุนั้นของซึ่งทําอยู่ในภาชนะจะเป็นอันทํากับด้วยของที่ทําแล้วก่อนจะทํากับอิยักของนั้นไม่ควร ก็แล้ิที่ตุนั้นหรือทิกตุอื่นจะทำในภาชนะอื่นควรอยู่ทำแล้วดังนี้จะปนกับของที่ทำก่อนฉันก็ควรก็แลจะควรแก่ที่ตุนั้นผู้เดียวหาไม่ได้แม้ถึงที่ตุอื่นที่ห้ามเข้าแล้วเว้นไว้แต่ที่ตุผู้ทำวิเนกรรมให้จกฉันก็ควรก็แต่จะไม่ปนกับของที่ไม่ได้ทำกับพิษะอย่างใด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 เพื่ออาหารกรืนกินปราศจากอามิสเพื่ออาหารถือว่าอามิสเป็นอะติริตะเป็นของที่ทําินิยกรรมแล้วแต่ว่าสําคัญว่าเป็นอนัธิริตะและสงสัยอยู่เหล่านี้เป็นทุกกฎรับอมิสเป็นอนัติริตะด้วยคิดว่าจะให้พิจุอื่นทํากับยะให้แล้วฉันและรับเพื่อผู้อื่นและฉัญยามาการิก ส, สัตหะการิกยาวาชีวิตปราจากอามิสโดยความบริโภคซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตก็มีเหตุ และพิกุบบาทเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัติเป็นอนานติกะใช้คนอื่นฉันนี้ไม่เป็นอบัติมีองศาปก็คือเป็นผู้ห้ามข้าวลุกจากอาสนะแล้วหนึ่งอามิตรไม่ได้ทํากั บ, บิยะเป็นอนัธิริตะหนึ่งกลืนกินในการหนึ่งซ้อนด้วยองศานี้จึงเป็นปาจิตตีสมุดทางวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกฐินนัสิกาบทก็คือกายวาจาหนึ่งกายวาจาชิตหนึ่ง เป็นโนสั ญ, ญาวิโมกาจิตกะเป็นปันนติวัชชะแล้วก็กายกรรมะชีกรรมมีจิตสามมีเวทนาฐานต่อไปก็เป็นสิกขาบทที่หกชื่อว่าทุติยปวารณาโตนาข้อที่สองข้อบทที่สองความว่าพิกษุใดรู้อยู่ว่าพิกษุอื่นห้ามเข้าแล้วดังสิกขาบทตอน และเอาอามิตรของฉันซึ่งเป็นอนาติริตะยังไม่ได้ทำดีในกรรมหรือว่ายังไม่ได้ทํากติยะเนี่ยมาคมขืนหรือว่าอ้อนวอนให้เธอฉันด้วหวังจะคมขืนยกโทษโจดทวงเมื่อน้อมเข้าไปหรือเมื่อเธอนั้นรักจะฉันเป็นทุกกดแก่ที่จุผู้น้อมเข้าไปเธอนั้นฉันอยู่ก็เป็นทุกกฎแก่ผู้น้อมเข้าไปทุกคากลืนแห่งผู้นั้นเธอนั้นฉันแล้วผู้น้อมเข้าไปต้องปาจิบตี เธอห้ามข้าวแล้วรู้อยู่ว่าเธอห้ามข้าวแล้วเป็นปาจิตตีถ้าสงสัยอยู่ก็เป็นทุ ก, กฎเหมือนน้อมยามะการิกเข้าไปเพื่อจะให้เป็นอาหารก็ดีครั้นเธอรับและกลืนกินซึ่งยามะการิกเป็นต้นนั้นก็ดีเธอไม่ได้ห้ามข้าวสำคัญว่าห้ามและสงสัยอยู่ก็ดีเป็นทุกฏให้ทำเป็นอติริตตะแล้วให้หรือให้ด้วยคำว่าท่านจงให้เขาทำเป็นอติริตตะแล้วจึงฉันหรือเอาไปให้ผู้อื่นก็ดี และให้ยามาการิกเป็นต้นว่าเมื่อมีเหตุแล้วจงฉันเถิดและทิจูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัติที่ข้อบท้อนี้ก็เป็นอนานติกาใช้ให้เอาไปให้ก็ไม่เป็นอาบัติสาหรับคนใช้แต่คนเอาไปให้ด้วยจะหวังโจด ท, ท้วงโจดโทษเพราะทะ่ข้อบทข้อนี้ก็หมายถึงพระทิจูุเนี่ยเกิดทางด้วยกันแล้วก็ประพฤติอานาจารทิจูบก็เลยเตือนว่าทำอย่างนี้ไม่ควรนะครับทา่ทานท่านทิจูบรูปนั้นก็โกรธก็ผูกโกรธเอาไว้นะก็เลยเอาอาหารที่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 ในเวลาวิการเป็นติกะปาจิตตีก็คือสําคัญถูกว่าเป็นเวลาวิการก็าตามหรือว่าสําคัญผิดว่าเป็นการก็าตามหรือว่าสงสัยก็าตามเนี Lad ่ยฉันก็ไปก็อับัติปาจิตตีทั้งนั้นรับยามาซาลิสเป็นต้นเพื่ออาหารหรือว่ากลืนกินเพื่ออาหารในวิการหรือการคือเช้าชั่วเที่ยงสําคัญว่าเป็นวิการและสงสัยอยู่เหล่านี้ก็เป็นทุกข์กดเมื่อฉันเข้าไปในการรู้ว่าเป็นการไม่เป็นอับัติ เมื่อเหตุมีฉันยามากาลิกเป็นต้นในวิการได้น้ำปณะละฉันในวิการก็ได้นะและก็พิกจุบา้าเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัตแม้พิกจุเป็นคนมกักอ้วกมักเรออาหารออกมาถึงลําคอแล้วกลับเข้าไปก็ไม่เป็นอบัตแต่ยังไม่ออกมาถึงปากโดยอนุญาตมาในขันธกะสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้ไปฉันในวิการก็คนใช้ไม่เป็นอบัตคนฉันก็เป็น มีองศาสก็คือเวลาวิการอย่างหนึ่ง้อที่สองของฉันเป็นยาวัตาลิกเป็นพวกอมิตรทั้งหลายข้อที่สามก็เกลื่อนกิ่นพร้อมด้วยองศานี้จึงเป็นปาจกิตตีสมุทฐาวิธีเป็นต้นก็เหมือนดับเอระตโรมะติขาบทนั่นเองดังกล่าวแล้วในปฐมาสาเ ย, ยะก็มีองค์มีสมุทฐานสองนะเอระคารุมะนะัก็คือกายอย่างหนึ่งแล้วก็กายจิตอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกายขังเท่านั้น เป็นโนสัญญาวิโมกขคิตตะกิริยาเกิ จ, จักการกระทา ม, มีจิตสามเวทนาสามปัจจาติวัชชะไปสุขบทที่แปดชื่อว่าสันนิธิการกะความว่าของเคี้ยวของฉันซึ่งเป็นยาว่ากาลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สุดรับประเคณวันนี้แรงคืนไว้พรุ่งนี้ก็คือเก็บเอาไว้วันพรุ่งนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นสันนิธิคือทาการสังสม รับของสันนิธินั้นเพื่อจะฉันต้องทุกข์กดเพราะรับกลืนกินก็ต้องปราชิตีทุกคําที่กลืนถ้าแม้บาดล้างไม่หมดครั้นสีด้วยนิ้วมือรอยปรากฏอยู่หรื อ, อยางข้าวตุกเข้าไปอยู่ในระหว่างแห่งบาดซึ่งเป็นปมอย่างข้าวนั้นครั้นเอาบาดปากในที่ร้อนหรือว่ารับเข้าต้มอันร้อนมันไหลออกมาที่สุกฉันแม้ในบาดเช่นนั้นในวันรุ่งเช้าก็เป็นปราชิตีเหมือนกันถือว่าฉัน อาหารที่ทำตามสังสมก็ของใดที่ตุเสียสลับแก่สำเนนขาดไม่เหลียวแลแล้วสำเนนเก็บไว้เธอได้มาฉันของนั้นควรอยู่ในอาเิตเป็นสันนิธิแล้วก็ฉันก็ไปด้ความสําคัญถูกหรือว่าสําคัญทีหรือว่าสงสัยพระธมก็เป็นติกะปาจิตีรับยามากาลิกและสัตตาหกาลิกยาวาชีวิตซึ่งเป็นสันนิธิเพื่ออาหารหรือกลืนกินเพื่ออาหาร หรือในอามิตรที่ไม่ได้เป็นสันนิธิสําคัญว่าเป็นสันนิธิหรือสงสัยอยู่เหล่านี้ก็เป็นทุกกฎรู้ว่าไม่เป็นสันนิธิเป็นอนาบัติเก็บยาม่กาลิกยามะกาลิกสัทธากาลิกไว้ไม่ให้ล่วงการของตนขอต น, อตนก็คือยามะกาลิกนี่ไม่เลยเที่ยงยามะกาลิกก็ไม่เลยวันอรุณขึ้นยามสุดท้ายสัตธาการิกต้องไม่เกินเจ็ดวัน ยาวะชีวิตก็ตลอดชีวิตเลยแล้วก็ฉันตามการอันหนึ่งแม้เมื่อเหตุมีจะฉันยาวะชีวิตก็ได้และปิจุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัติกิก่าวบทข้อ น, นี้ก็เป็นอนานาติกะเหมือนกันใช้ไม่เป็นบังคับคนอื่นไม่เป็นนะมีองค์สามอามิตเป็นยาวะกาลิกหนึ่งอามิตนั้นรับประเคนแแมคืนไว้เป็นฐานนิธิหนึ่งแล้วก็กลืนกิน พร้อมองสานี้จึงเป็นปาจิตติสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับเอและกระโรมัสติขาบทเหมือนกันก็คือกายอย่างหนึง่งกายกจิตอย่างหนึง่งสมุทฐานสองก็เป็นกิริยาโนสัญญา ว, วิโมกขิตต ก, ก, กะเป็นปันณติปะชะเป็นกายกรรมแล้วก็มีจิตสามเวทนาสามต่อไปในสิกขาบทที่เก้าชื่อว่าปันีตะโภชนะขอผู้ใชอันประนีตไม่ถึงข่ยนยนามชันไม่นะ ความว่าข้าวสุกซึ่งเกิดแต่ธัญชาติเจ็ดละคนด้วยของประนีต9ก้าอย่างนี้คือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมสม้มสิ่งใดสิ่งหนึ่งชื่อว่าปรีตโภชนะที่สุดใดไม่เป็นไข่ขอปรีตโภชนะกบผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนปรณนาด้วยคำเป็นต้นว่าท่านจงให้ข้าวสุกทั้งเนยใสด้วยหรือว่าท่านจงให้ข้าวสุกทั้งปลาด้วยดังนี้เป็นอบัตทุกฏ เพราะวินยัตรกรได้มารับจะฉันเป็นทุกกดเพราะรับกลืนกินเป็นปัจจิตีทุกคําที่กลืนขอมาฉันทั้งเก้าสิ่งก็เป็นปัจจิตีเก้าตัวเลยทิพย์ตูดายไม่เป็นไข่ขอเนอยใสเนยก้อนน้ํามันน้ําพึ่งน้ำอ้อยล้วนไม่เจือด้วยข้าวสุกเพื่อเพยตัดพึ่งปรับอาบัตเธอด้วยมหานามสิกขาบทถ้าไม่เป็นไข่นี่ก็อาบัตปัจจิตีในข้อมหานามะขอเพยตัด ที่ปรานาไว้กระถงขอปลาเป็นต้นสี่อย่างล้วนไม่เจือพึงปรับเธอด้วยสูโภดนะวิญยักษ์ในเศรษยะนะก็คือขอแกงและก็สุกให้เป็นไข่ขอแกงแล้วก็สุกมาฉันพระตอนบัตุกฏขอโภชน ะ, ะคนด้วยสัปติเป็นต้นพึงปรับเธอด้วยสิขาบทนี้ก็คือโภชนะปราณีตขอข้าวสุกทั้งปลาด้วยเขาให้ข้าวสุกกับเนื้อผิดสังเกตไม่เป็นอบัติด้วยสิขาบทนี้นะ อั้นขออย่างใดก็ให้ผิดจากที่ขอไปก็ไม่เป็นอะไถือว่าเขาให้ไม่เป็นไข้เป็นติกาปจิตีเป็นไข้สําคัญว่าไม่เป็นไข้หรือว่าสงสัยอยู่แล้วก็ไปขอนามฉันก็ไปอบัตรทุกกฎรู้ว่าเป็นไข้แล้วก็ขอนามฉันก็เป็นอนาบัติไม่ต้องอะบาดขอในคราวเมื่อเป็นไข้าหายไข้แล้วฉันหรือว่าฉันของเหลือพิจุบไ ข, ข้หรือขอแต่คนที่เป็นญาติปรนนาคือขอเพื่อผู้อื่น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 ข้อที่ติในวัดนี้โพชนวัตก็คือดันตตะโปนาสิกขาบทความว่าของจะพึงกลืนกินทั้งปวงอนุสัมปันธ์ไม่ได้อยู่ในหัตถบาดให้โรยกายหรือของเนื่องริกายหรือโยนให้แก่ทิสุซึ่งรับด้วยกายหรือของเนื่องริกายของนั้นชื่อว่าเขาไม่ได้ประเคียนให้ไปฉันของที่ไม่ได้ประเคีณนบัตตาจิตเตี ทิคตูดายถือเอาเองซึ่งของที่ไม่ได้รับประเคนเช่นนั้นแม้เป็นของปนละเอียดดำธุลีเพื่อจะกลืนกินเป็นทุกข์เพราะรับกลืนกินทำให้ล่วงลำคอเข้าไปโดยช่องปากหรือช่องจมูกก็เป็นปาจิตตีเว้นไว้แต่น้ำและไม้ชมระบันน้ำดื่มนี่กินได้ตามสบายไม้สีฟันก็เป็นของไม่ล่วงลำคอเข้าไปถ้าล่วงลาคอเข้าไปถึงไม่รู้ก็คงเป็นปาจิตตีเหมือนกัน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 ในน้ำและไม้สีฟันกดีหรือว่ายามหาวิกัตสีคือมูดคู่เท่าดินเมื่อเหตุคืองูกัดมีขึ้นกับิยากะรกไม่มีถือเอามาฉันเองแม่พิจูบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัตก็คือไม่เป็นอับัตกับยยกะรกแม้ใชย้ยาหรือไม่อาจทำได้ก็ตั้งอยู่ในฝักฝ่ายว่าไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ครั้นเท่าไม่มีพิจดจะเผาไม้แห้ง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 ใช้ให้ฉันอาหารที่ไม่ได้รับกระเค็นตัวเองไม่เป็นอัตรายแต่ว่าคนฉันเป็นมีองคศีก็คือขอไม่ได้รับประเคนหนึ่งของนั้นใช่ของที่พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตหมายถึงไม่ใช่สิ็นขอที่พระเจ้าอนุญาตข้อที่สามก็คือของนั้นไม่เป็นอโภหาริกดังควันควายเป็นต้นข้อที่สี่คือกลืนเข้าไปในลาคอพร้อมด้วยองศีนี้จึงเป็นปาจิตตีส่วนสมุดฐานวิธีเป็นต้นเหมือนกับเอและคา ร, รมาัสิทธาบท ดังกล่าวแล้วในปฐม ส, สาสยะก็ได้แก่อะไรสมุทฐานสองเอระก็คือกายหนึ่งกายจิตหนึ่งกายหนึ่งกายจิตหนึ่งเป็นกิริยาโอสัญญางโมกขจิตกะปันนติวัชชะกายกรรมจิตสามเวทนาสามมันก็เรื่องของพระวินัยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นพื้นฐานเหมือนกับแผ่นดินที่เป็นที่รองรับของสิ่งก่อสร้างเรือนต่างๆต้นไม้ต่างๆก็ต้องอาศัยแผ่นดินเป็นที่ตั้งนะ ศีลก็เป็นที่ตั้งของคุณธรรมเบื้องสูงของพระพิสุขเพราะฉะนั้นก็ขอให้รักษาศีลอบรมเจริญจิตให้สงบเพราะว่าเมาื่อศีลดีแล้วก็จะเป็นฐานที่ตั้งทําให้จิตสงบได้ง่ายทานิวันได้ง่ายเป็นปัจจัยแก่การอบรมเจริญที่ตอบสนองเพื่อจะรู้ตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาเพื่อจะตรัสรู้ อ, อริยสตติแล้วก็จะได้เป็นตาวกของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นดุจ ด, ดวงจันทร์ที่ลอยคว้างอยู่ในนาภาคา่ะผ่องใสในวันเดือนเพ็ญ คอเป็นเช่นนั้นเทิญสาธุสาธุสาธุ